ของเก่าของหมักหมมนี่คืออะไรก็คือเรื่องที่มันผ่านไปนานแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านไปนานแล้วนะคืออดีตนั่นแหละนะสังเกตไ่มเวลาเรากินอาหารใจเราก็ไปเสพรับอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์เก่าๆที่เก่ า, เ ก, า, เ, กาเก็บค้างปี